ดังนั้นลูธได้ศัทธาต่อเขาและเขาอิบราฮีมกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้อพยพไปหาพระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญา َ َهَبْنَا لَهُ وَيَعْقُوبَ فِي ذُرِّيَّتِهِ และเราได้อิสหักและยากรูบแก่เขาและเราได้การเป็นนบีและคำเพี์แก่ลูกหลานของเขาและเราได้แก่เขาซึ่งรางวัล ขเขาในนโลกี้และแท้จริงในปโรโลกนั้นเขาจะอยู่ในหมู่คนดีและจงรำลึกถึงลูตเมื่อเขากล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าแท้จริงพวกเจ้าได้กระทําการลามกซึ่งไม่มีผู้ใดในโลก กระทำมาก่อนพวกเจ้าเลยแ้าจริงพวกเจ้าสมสู่กับพวกผู้ชาย และปล้นสะดมบนทางหลวงกระนั้นหรือและกระทำรรอาราจารย์ในที่ชุมนุมของพวกเจ้าแต่คำตอบของกลุ่มชนของเขาไม่ใช่อื่นใดนอกจากกล่าวว่าจงนำการลงโทษของอัลลอ์มาให้แก่พวกเราสิหากท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจบบริงเขาลุดกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยฉันให้ได้รับชัยชนะเหนือกลุ่มชนผู้บ่อนทำลายด้วยเถิด และขั้นเมื่อทูตมาลายกาของเราได้มาหาอิบรอฮีมพร้อมด้วยข่าวดีพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ทำลายชาวตำบลนี้เพราะว่าชาวตำบลนั้นเป็นผู้อาถรรพ์ จจเขาอิบราฮิมกล่าวว่าแท้จริงในตาบลนั้นมีลูตอยู่ด้วยพวกเขากล่าวว่าเรารู้ดีว่ามีใครอยู่ในนั้นแน่นอนเราจะช่วยเขาและบริวารของเขาให้รอดพ้นเว้นแต่ภรรยาของเขาเพราะนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย ولما جاءت ر س ُ ل ن ا لقصي بهم وضاق بهم درع وضاق بهم درع وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إ ِ لم رأتك كانت من الغابرين และเมื่อทูตมาลายกาของเราได้มาหาลุดเขาลุดเป็นทุกข์เพราะพวกเขาและกลัวที่จะให้ความคุ้มครองไม่ได้ดังนั้นมาลายกาจึงกล่าวว่าอยากกลัวและเศร้าโศกเสียใจเลยแท้จริงเราเป็นผู้ช่วยเหลือท่านและบริวารของท่านเว้นแต่ภรรยาของท่านเพราะนางอยู่ในหมู่ผู้ถูกทำลาย ه ه ถ้าจริงเราเป็นผู้นำการลงโทษจากฟากฟ้าสู่ชาวตะบนนี้เนื่องจากพวกเขาทำชั่ว และโดยแน่นอนเราได้ทิ้งสัญญาณอันชัดแจ้งของตำบล น, นี้ไว้สำหรับกลุ่มชนผู้ใช้ปัญญาและยังเมืองมัดยันเราได้ส่งพี่น้องของพวกเขาคือ ซูไอไปเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเอ๋ยจงเคารพสการะอัลลอฮ์เถิดและจงกลัวต่อวันสุดท้ายและอย่ามุ่งทำความเสียหายในแผ่นดินโดยเป็นผู้ทำชั่วแต่พวกเขาได้ปฏิเสธเขาซูไอ ดังนั้นแผ่นดินไว้อย่างรุนแรงได้ประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้ประสบความหายันะนอนตายพังภาาอยู่ในบ้านของพวกเขาเองและอาจและสมุด และได้เป็นที่ประจักษ์แก่พวกเจ้าแล้วจากที่พำนักของพวกเขาและชายตอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่สวยงามแก่พวกเขาแล้วมันได้หันเหพวกเขาออกจากแนวทางโดยที่พวกเขาเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาว่กอรุนวะฟิรอนวะฮามันว่ล้วัดเม ลและเราได้ทำลายกอรูนและฟิร์เอและฮามาดและโดยแน่นอนมูซาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขาหยิงพยองในแผ่นดินและพวกเขาก็หาได้รอดพ้นไปจากเราไมุ่บบ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذه الصيحة ومنهم من خسفنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون และในแต่ละคนเราได้ลงโทษตามความผิดของเขาเช่นบางคนในหมู่พวกเขาเราได้ส่งลมพายุร้ายทําลายเขาและบางคนในหมู่พวกเขาเราได้ลงโทษพวกเขาด้วยเสียงกรรมนาฏและบางคนหมู่พวกเขาเราได้ให้แผ่นดินสูบและบางคนในหมู่พวกเขาเราได้ให้เขาจมน้ําตายและอัลลอฮฺนั้นไม่ได้ทรงอาธรรมแก่พวกเขาแต่พวกเขาเองต่างหากที่อาธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง الله م, م ا إ ل ل َ ثل ุ الَّ ื่อที่นัทขดุมิโดุลิลา ن ์อุลิย ل َِ่หลื่อที่นัทขดุมิโดุาหุลยิ ثل ุ่เหลื่อททขดَมิโดุลิลาห์อุล و ยาื ل ุ่เหลื่อที่นัาอุา ل ที่ัลลอาอ ل ่ื่อนลลอค ل ุ่เหลนัทุมครอม ل ดังอุปมายแมงมุมที่ชักใยทำรังและแท้จริงรังที่เบกบางที่สุดคือรังของแมงมุมหากพวกเขารู้อินนัลลอฮยลมุมายดูนมิดูมิชัยอ์วะฮัลอซซุลฮะมแท้จริงอัลลอฮทรงรอบรู้สิ่งใดๆที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอานาจผู้ทรงปริชาญาณ ا إ และเหล่านี้คืออุปมาทั้งหลายที่เราได้เปรียบเทียบมันสำหรับมนุษย์แต่ไม่มีผู้ใดตระหนักมันดอกนอกจากผู้มีความรู้เท่านั้น Allah ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นด ah ินด้วยความเป็นจริงแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณหนึ่งแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอุทลุมาอูฮีย์อิลัยกะมินอัลกิตาบิวอาคิมอัล صلاة อินนัส صلاة ต์แทนฮาอันิลฟาฮชชัยวัลมุนก์ร เจ้าจงอ่านสิ่งที่ถูกองค์การมายังเจ้าจากคำพีและจงปฏิบัติละหมาดเพราะแท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งการทำลามกและความชั่วดายและการดำลึกถึงอัลลอ์นั้นยิ่งใหญ่มาก และลอ้นั้นทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าการะทำ วอและพวกเจ้าอย่าโต้เถียงกับชาวคัมภีเว้นแต่ด้วยวิธีที่ดีกว่านอกจากบรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเขาและพวกเจ้าจงกล่าวว่าเราศรัทธาในสิ่งที่ถูกประทานแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานแก่พวกเจ้าและพระเจ้าของเราและพระเจ้าของพวกเจ้าทรงเอกะและเราเป็นผู้นอบน้อมต่อพระองค์ َكَذَالِكَ إِلَيْكَ الْكِتَابِ الْكِتَابَ الْكَافِرُونَ فَالَّذِينَ أَنزَلْنَا آتَيْنَاهُمُ يُؤْمِنُونَ وَمِنْ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا بِهِ بِهِ هَا وَمَا أُولَاءِ يَجْحَدُ และเช่นนั้นแหละเราได้ประทานคำพีแก่เจ้า ดังนั้นบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีแก่พวกเขาพวกเขาก็ศรัทธาต่อมันอัลกุรอานและในหมู่เขาเหล่านั้นมีผู้ศรัทธาต่อมันและไม่มีผู้ใดปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรานอกจากผู้ปฏิเสธศรัทธา และก่อนหน้านี้เจ้าไม่ได้อ่านคัมภีร์ใดๆและเจ้าไม่ได้เขียนมันด้วยมือขวาของเจ้ามิฉะนั้นแล้วพวกกล่าวความเท็จจะสงสัยอย่างแน่นอนมิใช่เช่นนั้นดอก มันคือองค์การทั้งหลายอันชัดแจ้งอยู่ในหัวอกของบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้และไม่มีผู้ใดปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรานอกจากพวกอาธรรม และพวกเขากล่าวว่าทำไมสัญญาณต่างๆจากพระผู้อภิบาลของเขาจึงไม่ถูกประทานมาอย่างเขาจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าแท้จริงสัญญาณเหล่านั้นอยู่ที่ออกล้อและฉันเป็นผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น ม, ม, มีเพียงพอแก่พวกเขาดอกหรือที่เราได้ประทานคำภีให้แก่เจ้าซึ่งได้ถูกอ่านให้แก่พวกเขาฟังแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นความเมตตาและเป็นข้อตักเตือนแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา ย่าลมมาทิสสมาวา ات วัลอร์วัลลดีนอามนูบิลบ اط ลวะคะรูบิลล้าฮิอลาอิกะหุมลขอสิรูนช่องกล่าวเถิดม่วมัดว่าพอเพียงแล้วที่อัลล่าท์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันและพวกเจ้าพโรงทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและพันดิตและบรรดาผู้ที่เชื่อในความเผ็ด และปฏิเสธศรัทธาต่อหรชนเหล่านั้นแหละเป็นผู้ขัดนบบล และพวกเขาเร่งเร้าเจ้าในเรื่องการลงโทษและหากไม่ใช่เวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วการลงโทษก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างแน่นอนและมันจะเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างฉับพลันโดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัวพวกเขาเร่งเร้าเจ้าในเรื่องการลงโทษ และแท้จริงนรกยานนำนั้นได้ล้อมพวกปฏิเสธศรัทธาว้อย่างแน่นอนวันซึ่งการลงโทษจะครอบคลุมพวกเขาจากข้างบนและพวกเขาและจากใต้เท้าของพวกเขาและพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสสิ่งที่พวกเจ้าได้ก่อกรรมไว้เถิด โอ้พวงบ่าวของข้าที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงแผ่นดินของข้านั้นกว้างใหญ่ไพศาลดังนั้นเฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจงเคารพพักดี ทุกๆชีวิตเป็นผู้ลิ้มรสความตายและพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปอย่างเรา و َالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ ل ن ُ ب َ و ِّ ئ ن َّ ه ُ م مِنَ ا ل ج َ ن َّ ة ِ غ ر َ ف َ ت َ ج ر ِ ي م ِ ن ت َ ح ت ه َ ا الْأَنْهَارُ خ َ ا ل د ي ن َ خ َ ا ل د ي ن َ فِيهَا ن ع ْ م َ ج ر ا ل ع ا م ِ ل ي ن َและบรรรดาผู้สัทธาและกระทําความดีทั้งหลายแน่นอนเราได้พวกเขาพำนักอยู่ในห้องพิเศษแห่งสวนสวรค์ ณเบื้องล่างมันมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พานักอยู่ในนั้นตลอดกาล ร, รางวัลของผู้กระทำความดีช่างดีจริงๆบรรดาผู้อดทนโดยที่พวกเขาให้ความไว้วางใจแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขา และสัตว์กี่ชนิดที่มันไม่สามารถแสวงหาเครื่องอย่างชีพของมันอลัลลอฮทรงประทานเครื่องอย่างชีพให้แก่พวกมันและแก่พวกเจ้าและพรงเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ และถ้าเจ้าถามพวกเขาใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและพันดินและเป็นผู้ทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์และทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเห อ, ออกไปทางอื่น الله ل l l a h ยอบสู่ทรัพย์สินสำหรับผู้ที่รับใช้พระองค์และพระอลค์ทรงให้เครื่องอย่างชีพอย่างกว้างขวางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากวงบบาวของพระองค์และทรงให้คับแคบแก่เขาแท้จริงลัลลอ h เป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ولئن سألزهم من نزل من السماء ما فأحيا به الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها لا ي ق و ل ُ ن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเล่าทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วทรงทำให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากเกิดความแห้งแลง้งแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมวฮัมหมัดว่าการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอ์แต่พวกเขาส่วนมากไม่ใช้สติปัญญาใคร่ขวนวา และการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเว้นแต่เป็นการละเล่นการสนุกร่าเริงและแท้จริงสถานที่ในปรโลกนั้นมันคือชีวิตที่แท้จริงอย่างแน่นอนหากพวกเขาได้รู้ ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้ขึ้นขี่เรือพวกเขาก็วิงวอนต่อหลอด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ครั้นเมื่อพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้ขึ้นบกแล้วพวกเขาก็ตั้งพาขีต่อพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้ในรคุณต่อสิ่งที่เราได้ประทานแก่พวกเขาและเพื่อพวกเขาจะได้หลงระลิงและพวกเขาก็จะได้รู้ พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าเรากำหนดเขตห่วงห้ามให้เป็นที่ปลอดภัยขนาดที่ผู้คนรอบๆพวกเขาถูกลักพาตัวไปและพวกเขายังจะศรัทธาต่อความเท็จ และพวกเขายังจะเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์อีกด้และใครเล่าจะอาธรรมยิ่งกว่าผู้กุความเท็จให้แก่อัลลอ์หรือปฏิเสธสัจธรรมเมื่อมันได้มาอย่างเขา ที่พำนักในนรกยันนำนั้นไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดอกหรือและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหนทางของเราแน่นอนเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาสู่ทางของเราและแท้จริง อลอสรงอยู่ร่วมกับผู้กระทำความดีทั้งหลาย